คำสอนที่พระทจ้องค์สอนทุกแห่งทุกหนทุกสูตรทบททุกบาทถ้าหากว่าเรารู้จักหลักอันนี้เสร็จแล้วจะมาถูกที่กายแจขงเราทั้งหมดใช้เว่าไหนกระตามเลยว่าตรงไหนบทไหนข้อไหนคําไหนก็ะตางอยู่ในนี้ทั้งหมดเราจะปฏิบัติศาสดาเพืปฏิบัติที่กายใจใจของเราไม่ได้ปฏิบัติที่อื่นถ้าเลี้ยนส่งออกไปภชยนอกเลี้ยนมากๆ เป็นเรื่องสงสัยลังเลไม่สามารถที่จะเข้าใจพึ้นหลักพุทธศาสนาที่แท้จริงเหตุนั้นคนเรียนน้อยมากจริงมีลังเลมากสงสัยมากนี่จะแบบจำคับต อ, ตอนต่อไปได้อธิบายทั้งเรื่องกายกับใจอันนี้กายนั่นเป็นนามนเป็นรูปใจนั้นเป็นนามรูปนั้นอธิบายทั้งเรื่องธาตุสี่ดี น, นามไปรรงคิดตังของพุทธศาสนาที่รูปธรรม นามนัม่เออนเรียกว่านามธรรมลูกกับนาเนี่ยผสมมันเข้าอยู่ด้วยกันเนี่ยก็จะต้องทําดีทั้งชั่วทําดีก็ทำชั่วต้องอาศัยลูกกับนามถ้าไม่มีลูกกับนาแล้วก็ทําอะไรไม่ได้เนี่ยนั่นเราจะต้องฝึกฝนอบรมกายว่าจจใจของเราให้ถูกหลักคือให้ละชัว่วทําดีเนี่ยที่ายต่อไปถึงเรื่องทาตี อธิบายเรื่องเรื 6, 3, ่องธาตุหกคือตั้งไว้ที่มือของกายใจธาสิบสองคือรูปเจียสิ่รละผลตภัณรวมมะเข้าธาสิบแปดนั่นคือตากับรูปเห็นเท่าแล้วเกิดความรู้สึกขึ้นในระยะที่เกิดความรู้สึกขึ้นในระหวา่างอาจนาทางนอกทางในก็ะ ท, ทบกรทนันเป็นหกสามหกเป็นสิบแปดนี่ขยายขยายรูปนามออกไปอย่าไปทิ้งแรงรูปนามขยายออกไปอย่างนี้รูปนาม ถ้าเราไปจดจำเรื่องอันนี้เข้าใจดีแล้วนั่นไม่ต้องพูดเรื่องเรื่ีลในวัตถิปัญญาแล้วพูดตรงนี้ก็ถูกหมดเราล่ะตรงนี้แหละหมดเรื่องแล้วปฏิบัติตรงนี้แหละละชั่วทำดีแล้วหมดตรงนี้แหละแคหมดเรื่องลงไปนี่โดยหัวข้อใจความที่อธิบายมนุษย์ื่อนี้พอสรุปได้ย่นย่อเล็กน้อยขนาดนี้แหละคราวนี้จะอธิบายต่ออธิบาย ตัวนี้ยังมีอีกตอนวะมีประโยชน์ยังไงที่นาเห็นรูปนาม่มออางั้นกายใจของเรานะี่ให้เห็นเปลี่ยนจะพาวะตามกว่าเป็นจริงเทียงความเกิดดำรูปก็เกิดดับน้ำก็เกิดดับชีวิตทุงคนเราเกิดขึ้นมาในคอยถ่าวันตายใครจะทำอะไรมหวงมดคอยถ่าวันตายต้องตายด้วยกันทั้งนั้นดีช่วยหยาบละเอียดก็อยู่ท่าคอยตาย ในพระพุท้าก็เรียวเกิดจากเมื่อเราพิจารณาเห็นท่ามันมีประโยชน์ยังไงเห็นท่ามันมีประโยชน์เพื่อให้ถอนละอุปทานเมื่อทุกเกิดขึ้นแล้วจะมาเป็นทุกข์ถ้าไม่เห็นมันเดือดร้อนเป็นทุกข์เนี่ยอธิบายมาคราวนี้ไอ้ที่จะอธิบายต่อถึงเรื่องว่าเราปฏิบัติอย่างไรจึงจะให้เห็นลูกนามตามเป็นจริง ความเป็นจริงมันเป็นจริงอยู่แล้วคือความเกิดดับของโลกนามลกนางเป็นจริงและทุกอย่างแต่ทำไมเราพวกเราจะไม่เห็นกันทำไมยังไม่เข้าใจกันถ้าเราไม่มีพื้นฐานที่จะรับธรร ม, มานะมาปฏิบัติเรามารู้ในธรรมะนะ้นพื้นฐานที่ว่านี้นะั้นหมายความในเรื่องความสงบของใจ เมื่อใจไม่สงบเสร็จแล้วอย่างเดียวเท่านั้นยังหลงไปรู้แล้วรู้ล่าจะสักทีอธิบายเรื่องการคือคืนนี้พูดถึงเรื่องหลงหลงกับไม่รู้นั่นไม่เหมือนกันหลงนหมายความทั้งหลงของมีอยู่ไม่รู้นั่หมายความทั้งไม่มีไม่มีแล้วไม่รู้ยิงรู้ไม่รู้จริงๆมีแล้วก็ไม่รู้จริงๆที่เรียกว่าไม่เรียกว่าไม่รู้อย่างเรามีกายเนี่ยไม่รู้จะว่ากายคืออะไร ให้บ่ิจาคหัวใจคืออะไรเกิดมาเพื่ออะไรทั้งทั้งที่เกิดนัาเพื่อเกิดแก่เจ็บตายหรือเวทเป็นธาุ่สีไม่รู้เชลยหลงนั้นรู้อยู่เพราทธาตุสีนัอาไปหลมแต่เรายังไม่ชัดภายในใจคือว่าเป็นสภาพอย่างนั้นจริงจากเช้นศักแต่ว่าได้ยินหรือบัญญาตำราหรือเราได้ดูตําราหรือฟังคนอื่นพูด เรายัางหลงหยึดหลงถือหลงว่า เ, เป็นตนเป็นสัวนเนจริงแจงอยู่ทั้งๆ ท, ที่มันไม่ใช่ของเรามันเรียกว่าหลงไม่รู้กับหลงคิดกันที่ตรงนี้ที่จะให้ไม่หลงและที่จะให้รู้ก็ต้องอาศัยการพึ่งฝนในอบรมใจของเราให้มันเสมกเสียก่อนน้ำที่เสกใจเคยที่ใบฟังแล้วถ้าหากมัยังวุ่นหรือ ย, อยัง ผมเพื่อมีอยู่ตราบใดเงาจะไม่ปรากฏขึ้นมาน้ำใสคือใจและพระพุทธเจ้าทนตรัสเทศนาว่าจิตตังกับพัสรางจิตเป็นของฟองใสอาคันทุเกฮิกิเลเซฮิเลสเป็นของจรมาจรหมายความถึงว่ามันมาคุมใจฟองใสหี่จะพูดอีกนยหนึ่งพูด นอออกไปก็คือเรียกว่าจอกที่มันคุมน้ําอยู่น้ำใสๆจอกคุมไว้ก็เลยมันเห็นปลาขวดน้ําถ้าหากเราเพิ่มจอกนันออกไ ป, ปขวดจอกออกไป น, น้ำมนไหลจะปลาขวดอยู่มันเรียกว่าการจับการการตกปลาเดีก็กึ้นเหมือนกับจอกเงี้ยวเปียกเหมืนกับจอกอยู่บนน้ํำใสแต่ที่ว่านี้เหมือนกับน้ําเครื่องน้ําไม่สงบนิ่ง ก็ได้ทำนองเดียวกันทำยังไงเราจรึงจะเพิกเจอะแล้วปวดเจอะนั้นออกทั้งหมดให้เหลือแต่น้ำใสยิ่งจะได้ดุ่กหรือทำยังไงจึงจะมาให้จิตนั้นกับเพื่อมนั่นนั้นกับเพื่อมคือจิตหุ้่นวายจิตรงสั่สงบลงจึงจะรู้จึงจะเห็นเงาปรากฏคือใจสงบแล้วจะเห็นสิ่งที่ไม่สงบ ถ้าไม่จะสงบทั้งหมดแล้วจะไม่สร้าจะไปรุปน่นไหนวะอันจริงที่นี่มันอยู่ตรงไหนถ้าเ น, น, น่งแล้วก็เห็นแบบมันมันไม่จะสงบไปเห็นใช่ไหมอีกในหนึ่งถ้าพูดให้เข้าใจง่ายง่ายเหมือนกระจกที่โลกเช็ดให้สะอาดเสร็จแล้วฝุ่นละอองนิดหน่อยมาปรากรดเลยป้ากรดในหน้ามันจะเวนามาติดตรงอะไรเาาลยเกาะตรงอะไร ถ้าหากเจาก็ปกติว่ไม่รู้ไม่เห็นของละเอียดนั่นของละเอียดนี้หน่อยไม่เห็นใจของเราถ้าไม่สงบซะแล้วไม่เห็นของจริงคิฏจาริศนี่เรื่องที่เราไม่รู้น่นคือไม่รู้ตรงนี้ยิ่อีกจะพูดอย่างไในหนึ่งเทียบกันได้เห็น ง, ง่ายอย่างนี้ใหญ่างนี้ก็ได้คนเราเมื่อทะเลาะกันแล้วน่ะต่างคนต่างเถียงบ้งเบ้งเบ้งเบ้งน่ะ ถ ม, มีใครรู้จักผิดสักคนเดียวไม่ได้ถูกทั้งหมด้องตนถูกตรงนั้นแหละคงจะเคยพากันเสียงกันะเคยมีกันนี่แหละเคยพูดเคยโต้เสียงกันคงจะเคยมีมาแล้วถูกของตนทั้งหมดไม่ยอมผิดเลยจะอีกคนหนึ่งไม่โกรธใครหละ่ะนั่งฟังอยารู้จักเลยว่ะคนไหนผิดคนไหนถูกบางที่อาจจะรู้จักทั้งสองคนผิดเดียวกันนั้นนี่เพราะเขานิ่งเขาไม่โกรธเพราะฉะนั้นเมื่อเราจะ ให้รู้จักคือไม่หลงไม่หลงในธาตุสี่ไม่หลงในรูปในกายของตนก็จําเป็นจะต้องทําใจของเราให้สงบให้จิต น, นิ่งเด้๋ยก่อนอย่างน้อยที่สุดเมื่อจิตนิ่งแล้วก็เห็นเรื่องความนิ่งของใจคนสงบของใจเอาละเพียงแค่นั้นก็พอเดี๋ก่อนจะไม่เห็นจิตอื่นจะเห็นเพียงแค่นั้นก็นยังดี เรามีได้ความไม่สงบใจเรามีแต่ไม่สงบถา่เดียวแต่ไหนแต่ใดมันไม่เคยสงบเลยสงบก็ไม่รู้ความสงบหรือซ้าอย่างดีที่สุดสงบคือไม่โกรธไม่ทะเย อ, เอทะยานดิด้นรนไม่เสียใจน้อยใจหรือน้อยอกน้อยใจมั่มีเราก็เรียกว่ามันสงบพอแล้วขนาดนะั้นแต่แท้ที่จริงยามเลย ใจเป็นของมีนมตนมีตัวยากที่จะระงับยากที่จะจับได้เหมือนกับลมที่มันพัดไปพัดมาถ้าไม่กระทบตัวเรามอะไรแล้วก็ไม่ปรากบลมใจก็ไม่ปรากฏถ้าหากว่าไม่มีที่กระทบก็ไม่คยจะรู้จักใจล้วนะพูดกันอยู่ทุกคนทุกทุกวัน พูดถึงเรื่องใจดีใจเสียใจน้อยใจรุ่มใจอะไรต่ออรต่างๆพูดถึงเรื่องใจตัวกันทั้งนั้นเด็ดใหใจจริงๆกันคืออะไรกันยังไม่รู้เรื่องไม่เห็นเลยเมื่อจะพูดถึงเรื่องความสงบอยงตรงนี้มาพูดถึงเรื่องใจอีกต่อใจไม่ภาษาที่เราลู่กันทั่วกัน <ummer> ทั้งหมดเลย ใครๆว่าพูดถึงเรื่องใจแล้วก็รู้กันใจคือของกลางใจมือก็ต้องกลางใจมือเขาเรียกว่ากางใจมือใจก็เชี่ยงที่หน้าการกลางอะไกลางหน้า อ, อกเลยตรงกลางหน้า อ, อกเขาเรียกว่ามือใจอะไรก็ตามเถอะถ้าพูดใจต้องพูดตรงกลางเท่านะั้นใจมันไม่เป็นกลางนี่แหละจึงไม่เห็นใจมันรู่นอยู่เนี่ยจึงไม่เห็นใจ เหตนันเนี่ยว่าให้เข้าใจคำที่ว่าใจนี่เจ้าคือความเป็นกลางไม่คิดจงสายไปอดีตอนาคตไม่คิดอยากได้ใช่เือทะยานดิ้นรนเสือกตะสนให้ดหัวดนิ่งเหมือนกับน้ำเนิ่งอ่ะแทมันไม่นิ่งนะคืออาการของใจ มันเกิดน้ำกับเครือมมนมีเรื่องมากเลยทันีีถ้าไม่นิ่งมันจะต้องส่งสายไปตามอาการต่างๆข้าเกันเลยบัญยัติถ้าหากคิดมันออกจากความตินกลางก็เรียกว่าจิตเช่ถ้ามันไปยึดอะไรอันหนึ่งขึ้นมาแล้วก็เรียกว่าอุปทานเช่ หรือว่าสัญญาเนี่ถ้ามันเกิดความรู้ขึ้นในทวารในทวารหนึ่งก็เรียกว่าวิญญาณเนี่ยความฉลาดเกิดขึ้นจากความที่จิตเป็นหนึ่งคือมันเกิดความรู้แวววาวขึ้นมาในที่นั้นเห็นเหตุเห็นผลเห็นต้นเห็นปลายและเห็นโทษทุกสิ่งที่ตาเป็นจริงเรียกว่าปัญญา อะไรก็ถามเธอแต่เราไปพูดถึงเรื่องอริยธรรมเธอไปเรียนอริยธรรมมันจะรู้เรื่องจิตวิญญาจนกระทั่งนับไม่ถ้วนเนี่ยนั้นคนเรียนลง่ารู้ได้ชื่อได้มารู้จักตัวจิตจึงพากันงงกันพูดได้เขา้าไม่เข้าใจเรียนในอริยธรรมยังเมือไก็คือนกเวสสันน น, สนน น, นก พูดจอแจจอแ จ, อ จ, อจอพูดได้อย่างคดแต่ไม่รู้จักจคงนี่จะพูดถึงเรื่องใจอย่างนี้เราจะจับตัวใจตัวนี้หลือไปยามจับตัวใจให้มันได้ทานตุพมาหลายเรื่องหลายอย่างอีกวิธีที่จะจับตัวใจท่านตุพมาเปรียบเหมือนกับตัวเหี้ยมันวิ่งเข้าในแก้วตัว จอบปลวกนั้นมีอยู่รูอยู่หกรูคนที่ต้องการที่จะเอาเหี้ยเขาก็ปิดแต่ตั้งผ้ารูแล้วก็เอาจอบในขุดเข้าไปตามไปรูเดียวมนออกไม่ได้ครับตามเข้าไปตามเข้าไปแตรูเดียวไฟยังก็ะทึงเห็นตัวเหี้ยนอนอยู่ในจองปลวกจับได้เลย ใจของเราถ้าหากเราปิดเทวันทั้งหกพื่อไม่ส่งออกไปพื่อไม่ส่งไปตามตาตามหูจหมูกลิ้นกาดถ้ายัางเหลือใจคือตัวกลางตัวเดียวเราจะจับตัวมันได้คือตัวกลางนี่คือตัวใจคาวนี้ถ้าจับนั้นยังไม่ได้การนี้เบื้องต้นที่จะเข้าไปถึงนั้นถ้าจับนั้นยังไม่ทันได้ดังที่บาาข้างไว้นในเบื้องต้น ใจไม่มีตนมีตัวมันต้องมีสิ่งกระทบสิ่งจะลูกมันกระหลงล้วก็ต้องหาสิ่งที่ใจกระทบประสิธใจไม่มีตัวแล้วก็เอาสิ่งที่ไม่มีตัวให้กระทบเหมือนกันถ้ากระทบสิ่งที่มีที่เป็นวัตถุเออเช่นลมหายใจที่จมูกปลายจมูกลมมากระทบตรงนั้นเอลมให้ตากดลงคือใจให้ไป ไปรู้สึกที่ลงกระทบปลายจมูกแต่ว่ายุกนอยฟ้องน้อยแล้วไม่ยกไม่ฟ้องก็ช่างมันเถอะแต่ขอให้ทำความรู้สึ ก, กตรงนั้นเอาสติไปคุมให้จิตรู้สึกในแห่งนัน้ในในที่นั้นแห่งเดียวเมื่อเราเอาจิตไปคมุมไว้มันมีความรู้สึกเฉพาะนั้นนั่นแน่ชิดนั้นแห่งเดียวตัวใจคือไปมันไปกระทบตรงนั้นอะ มันออกไปจากใจกลางแล้วล่ะแต่ไปกระทบตรงนั้นไปจับเอาฝายไว้ซะก่อนที่มันกนระทบตรงนั้นไปกน่นานๆแม็้ามาค่อยคุ้นเชื่องเข้ามานานๆแม็กเข้ามาอยู่เองเหมือนกรตัดบ่าที่เราจับมาได้ทีแรกมันก็นดิ้นล้นไม่คุณนเคยกับเราทั้งกลัวทั้งอยากวิ่งหนีสารพัดทุกอย่างเน่ะแม็กรุ่มใจไม่สบายใจดิ้นล้นใหญ่โตเขาทาย นี่ชั้นดัดใจของเราูดกคนที่แรกเราจับนันะครับถ้าม่นคุ้ น, นคเคยมาเชื่องกนแล้วไม่ต้องพูดยากมันรู้ไม่รู้ตัวจริงเลยเครื่องผูกคือเครื่องกระทบ น, นวูบวาบสงบนิ่งเข้าไปเลยเข้าถึงใจไม่มีอะไรใจแล้วจับใจได้ถ้าไม่เป็นอย่างนั้น จะเอาอย่างที่ว่านั้นก็ได้เหมือนกับปิดรูหกรูสิห้าห้ารูเสิตามขุดเหี้เยเข้าไปรูเดียวอย่างที่ว่านั้นก็ใช้ได้เหมือนกันเมื่อเราปิดแม่มันส่งสายไปอาการทั้งหามันยังเหลือเดียวก็จับได้ง่ายทั้งสองวิธีนี้แหละแล้วแต่ความถนัด ถ้าเปมนหวาพิธีไหนขอให้จับตัวเที่ยคือใจคือตัวสงบใส่สงบอยู่นิ่งในแลรกใช้ได้แล้ยวกันนี่พูดถึงเรื่องการให้สงบฝึกฝนใจสงบให้มันนิ่งให้มันดำมันนิ่งหรือเราเช็ดกระจกมันใสสะอาดแล้วถ้าหากมันนิ่งหรือวันกระจกมันใสสะอาดเราเช็ดดีๆแล้วค่ะนี่ อะไรยะปรากรขึ้นในที่นั้นแหละครับเมื่อมันนิ่งมันก็จริงที่ไม่นิ่งปลากรขึ้นมาในที่นั้นแล้วก็รู้เลยครับแม้ขนาดเดียวขนาดจิต ท, ที่เพียงแวบเดียวเท่านั้นยังว่าทันไปยึดอะไรเลยแวบออกจากอันหนึ่งเท่านั้นแวบออกจากของกลางเท่านั้นรู้ทันทีทั้งหลเลยขนาดแว บ, บเดียวก ร, รู้ตอ่ตอตอ่อ ต้นตอที่ยังเกิดกิเลสตัวแวบตัว น, นี้แหละเราเวตีควบคุมจิตอย่างมิตลอดกาลความเชื่องก็คือความชานาญจะยืนเดินนั่งนอนไปมาจะพูดจาและประกอบภารกิจไดๆได้ผมอ้สตามเลอทถึงมันจะออกไปรับอารมณ์มันจะออกไปประกอบจิตงานกางงานได้ไป ร, รับอารมณ์แต่ว่าใจไม่เข้าไป ย, ยึดมันก็พลนไป ทําจักแต่ว่าทําคิดแต่ว่าคิดกระทบจักแต่ว่ากระทบมันไม่เข้าไปเป็นตัวเป็นตนไม่ไม่เข้าไปยึดถือยึยดมั่นสําคัญในเรื่องนั้นก็เป็นตนเป็นตั ว, เ ป, ตวเป็นดาวแ้วเขาต้องจี c i n จักนั่งคำนวนอาจามาเคยพูดนะครับกระทบมีอยู่แต่อย่าให้กระเทือน กระทบจะหมาความว่าซ้ำพัดอายุนนภานายนอกภายในส่องกระทบกันอยู่ธรรมดาความรู้เกิดขึ้นมานั่นนะความกระทบก็มาเกิดความรู้เปนดีแรกเรียกว่าวิญญาตเพียงแค่ น, นั้นยังไม่ยังไม่จัดที่ว่ากระเซือนเลก่อนกระทบแล้วก็หายไปกระทบแล้วก็หายไปอย่างนี้นี่แหละเราฟังเครื่องบินนึกเสียงอะไรก็ตามเถอะเราฟังธรรมเทศนานีิ ให้ใจเราแน่วออปัจเจเนตนาเราได้ยินยแต่ว่าเราไม่ทัาบอะไรเลยแล้วไม่เกิดคนลำคาดแล้วเราไม่เป็นตรงายไปยึดว่าเสียงอะไรตัว อ, อะไรเราทรานั่นเรียกว่ากระทบถ้ากระทือนแล้วเกิดคนลำคาดเกิดคนลำคาดไม่พอใจร่วงใจเป็นทุกข์ด้วยโกหก ควมยึดความถือหรืออุปทานนะก็ระทรบเลยเลยกระทื่นหรือหวั่นไหวไปแล้วกันก็เทื่นแล้วก็หวั่นไหวต่อกันไปนะก็ทบครั้งแรกที่เกิดความรู้สึกนั้นเรียกว่าวิญญาณยังไม่สามารถที่จะก่อกิเลสให้เป็นทุกข์ขึ้นมาได้ก็เถื่อนก็ยังไม่สามารถจะสร้างกิเลสนักหนาอะไรขึ้นมา เขาวันไหวเขาแล้วไม่อรอเหลือวิสยัยอะไรพันกรรมตรงนั้นร่วงโบกุ้งใจดินล้นใหญ่ตัวยิ่ยงดินดเทั้งใดตัวยิ่งรักเรียบเหมือนเงนกะเขาขูกขาหมูด้วยเชือกมันบ่นมันเหนียวหมูถ้าดินเทั้ใดละ่ะเชือกน้นมันจะบาดรัดขาหนึ่งให้หนังขาดให้ เนื้อขาดให้เอ็นขาดกระทา่งยังเหลือเต่กระดูกในคนที่เจอกระปาปไม่รอดเจ็บปเปล่าคนเราก็ชั้นเดียวกันถ้าห่างไว้ด้วจักสงบอารมณ์คือพวกงนจิตใจตนไม่ได้เมื่อเกิดความทุกข์รุ่มใจเข้ามาแล้วก็เสือกระสวนดิ้นหลนออกส่งองกภายนอก ไม่เข้ามาหาใจคือตัวกลางก็ไม่มีความสุขไม่ได้ควรมเดือดร้อนคุ้มใจอย่างนี้ตรงนี้หาวิธีออกจากทุกเลยมีหลายวิธีแล้วกันบางคนทุกข์ร่วมใจมากๆหาสุรายาเม า, เม า, เมาบอมเมว่ามันลืมตัวก็ไม่สำเร็จประโยชน์ในขณะที่มันมึนเมา มันก็หายไปหรอกจะเสียสางหน่อยแค่แม้สางจะนั้นก็จะมาเท่าเก่าเลยจะมากกว่าเก่าไม่สร้นนั่นก็ไม่ได้ไประโยชน์ดีเหมือนกันบางคนเกิดความรุ่งใจหนักๆเขา้าหาเรื่องทะเลาะกับคนอื่นแม่ก็ไฟใหญ่เหมือนกันนะเขาดื่เอาใจจน อันนี้ก็ไม่ได้ประโยชน์เหมือนกันนอกจากคนเป็นทุกข์เดือดร้อนแล้วยังทาให้คนอื่นโกรธเกลียดทะดีเดือดร้อนคุ้มใจลกไปอีกก็ไม่ได้ประโยชน์เหมือนกันบางคนนั่นประท้วงเลยการทุกต่ อ, อยตอนเองหรือฆ่าตนเอง อันนั้นนี่มไปกันอย่างนี่หนีทุกข์ไปปนทุกข์นี่หนีเท่าใดยิ่งประสบจนทุกหนัก ข, กขึ้นที่เพราะหนี้ไม่ถูกทางเพราะออกจากตายก็ใจเพราะไม่เข้าถึงความสงบเพราะไม่รู้จักความสงบคือตัวใจนี่ไม่ถูกตัดมาทางพุทธศาสนา เ, เพราะฉะนั้นการที่เราจะ รู้จักตัวตนคือตัวของเราไม่เข้าไปยึดคือยึดธาดุขันธ์นายเจตนาอันนี้แหละว่าเป็นตนเป็นตัวเห็นเป็นไดรร้แต่ัตวาธาตุเห็นเป็นไดรร้จัตวาขันธ์นายเจตนามันรับภาราหน้าที่ตามอิบข้องมานตามขุอด้านหน้าที่ของมันเราไม่เข้าไปยึดจะเป็นตนเป็นตัวเราปล่อยตามสภาพมาันใจมันก็สงบลงไปได้ เราสอนใจอกลมเราใจของเราได้ฝึกงฝนใจเราได้มันจึงค่อยสบายอย่าให้ใจบังคับเราอย่าให้ใจใช้เราอย่าให้ใจเป็นนายเหนือตัวของเราเนี่ยมนาจเหนือเราเราเป็นทาสของใจก็จิกันเดือดร้อนเนทุกข์อยู่นี้ตลอดเลยหลัง คิดดูสิเราทุกข์ทำไมถึงไม่ทิ้งทุกข์พอเห็นว่าทุกข์ไอ้ผอใหญ่ทําไมจะไม่ทิ้งไปได้อันนี้เรียกว่ามันบังคับให้เราทุกข์ถ้าเรารู้อย่างที่ว่าวันนี้เห็นเป็นธาตุสีแดไปลมเริ่ปล่อยวางอุปทานลงไปได้ไม่เข้าไปยึดไปถือถึงซึ่งความสงบความสงบอ น, นั้นแหละเรียกว่าเราปล่อยเราหวานจึงเรียกว่าเราเห็นทุกข์จึงเรียกว่าเรา เกลียดเบื่อหน่ายทุกข์ละทุกได้เห็นทุกข์แล้วไม่ยอมละไม่ใช่คนเห็นทุกข์คนต้องการทุกข์อย่างได้ทุกข์ทิ้งทุกข์ไม่ได้อันนี้ก็เนื่องจากจริงเนื่องจากไอ้ที่ไม่รู้เหมือนกันอยี่ยอธิบายมันในเบื้องต้นที่เรียกว่าหลงเหมือนกันเห็นทุกข์แล้วเราทุกข์มันแบบเรียกว่าหลงทุกข์ถ้าเห็นทุกข์แล้วเข้าใจตามเป็นจริงแล้วปล่อยวางไได้จึงเรียกว่าเราเห็นทุกข์ ละทุกได้เหนั้นในการที่เราฝึกฝนใจของเราที่ให้เข้าถึงความสงบนั่นอย่างเดียวที่จะให้เห็นซึ่งทำทั้งหลายั้งสองพุทธเจ้าที่สอนเราว่าสิ่งใดพิษสิ่งใดถูกสิ่งใดดีชัว่วควรละไปควรละมันเกิดจากใจอันเดียวนะคือความสงบใจแท้เป็นของอันเดียวอย่าไปเข้าใจมันมาก ที่ว่ามากนะั่นคือมันเร็วมันเร็วที่สุดใจหลันยากที่จะจับได้ถ้าเข้าถึงความสงบแล้วใจไม่ใช่ของเร็วไมใจของเร็วอะไรนะักเห็นชัดเลยะจะพูดได้ว่าใจเป็นของมีตัวเฉยๆถ้าเราไม่ได้รับความสงบแล้วใจไม่สาววิ่งม่อนจะถึงนัดตอนนะี้ก็ไม่จับถ้าหากทําความสงบได้แล้วนะ ใจจะส่งไปอะไปในทางใดเห็นชัดเลยถ้าก็มีตนมีตัวนี่เราอบลมใจได้เราต้องเป็นอย่างนี้จริงว่าความสงบเท่านั้นแหละที่อยากให้รู้ทาทั้งหลายที่ทั้งสอนรดยจากความบุุ่คุณโทษดีชั่วห ย, ย่าบละเอียดเห็นที่ใจ ทาหาก็สงบแล้วรู้รู้ผิดถูกดีชดทางรูปหมาเปลี่ยนไม่ฟังมัมเปนคนต้องโคโกรธตั้อย่างที่ว่ามาแล้วคุณทั้งหลายแลมีคุณบิดามดรดาเป็นต้นทั้งๆที่มีอยู่เรารู้อยู่เหมือนกันเราเป็นของมีคุณแต่มันไม่เห็นคุณด้วยใจของตนเองไม่แม่ชัดไม่เจ็บตาใจใจไม่จะสงบไม่เห็นควาจ ม, มจริงถ้าใจสงบแลยคุณนิดเดียวก็ปรากฏเป็ของใหญ่โตขนาด เป็นของมีคุณค่าเหลือประมาณคุณนิดเดียวแล้วก็จะเห็นโทษในการที่เราไม่เห็นคุณสิ่งที่เป็นคุณนอกจากเห็นคุณที่มีคุณแก่เราและเช่นคุณปิดามันดาเป็นต้นเรายังเห็นโทษว่าเราที่เราไม่รู้จักคุณที่ของมีคุณไม่อยู่แล้วจะเกิดสรดทั้งเลสภายในตนเองรสชาติของความรู้อันนั้นเนี่ยจะปาทับอยู่กับแจงเราตลอดกาลทีเดียว นี่ที่อธิบายเพิ่มเติมต่อเติมในคืนนี้ที่อธิบายมาคืออธิบายให้ที่จะให้เข้าที่จะให้เข้าใ จ, จรู้เรื่องเรื่องธาตสี่ที่น้ำไฟลมหรือรู้อัตภาพของกายอันนี้กายกับใจ น, นี่ต้องอาศัยการอบรมการฝึกฝนทำสมาธิภาวนาการทําสมาธิภาวนานั่นก็คือว่าเราจะต้องยึดหลักสิ่งเดียวจุดเดียว เอาจิตไปจดจ้องอยู่เฉพาะในสิ่งนั้นให้สติคุมอยู่เรื่องจิตนั้นอยู่ในสภาพอันนั้นอยู่ตลอดการเวลาทีแรกถึงเงแรกมันจะฟืดอยู่บ้างมันจะดื้อด้านอยู่บ้างแต่ก็ช่างมาันอย่าไปยอมในไหนแล้วก็ตั้งใจจะฟื้ผลใจเอาใจมาใช้ให้ได้แล้วอย่าไปยอมเือทอดถอยมัถ้าทอดถอยแล้วที่หลังเคยตัว พอูดี่อยู่วัน้นหนักก็เออเอาหาไม่ได้เอาเถอะพักกอเถอะนอนก็นเถอะเคยตัวที่สาง่าพอเริ่มจะนั่งเพราะนานแ้วก็ุ่นเกิใหญ่แล้วเอาสักครึ่ันเถอะวันนึงอยู่เถอะก่อนเถอะเอาวันหลังเลยยิ่งไร้เกเก่าเคยตัวแบบนั้นไม่ดีมันจะเขาพุดขัดมากแต่ตามโครก็ช่างเขาจะใช้งานน่พอดีมัน ดูด้านยอมมันใช่ที่หลังไปถึงเวลาเมืเอสาวหยุดแหละถ้าเราเอาจนมันอยู่มือเราเลยที่หลังมันเข็ดยอมเลยใจเราไม่มีใครพึ่ผลให้เราถ้าเราไม่พึ่ผลตนเองแล้วพึ่ผลแล้วก็เป็นประโยชน์แก่เราเองไม่ใช่ใครจะมาใช้ใช้ใจเราพึ่ผลแล้วไม่มีใครมาใช้หรอกเราเนี่ยเป็นเราเป็นผู้ใช้ประโยชน์คือความสุขกับเราเนี่ยเป็นคนได้ไหนกายวาจาใจ กายกับใจเราได้มาแล้วจงพากันทุดวนและอบหล่มให้มันเป็นให้ใช้ได้เป็นประโยชน์แก่ต้นเสียจะดีกว่าที่จะปล่อยเป็นฝ่าเป็นเถิดโดยที่ใช้อะไรมันไม่ได้นี่แต่มันใช้เราถ่าเยเจึงจะได้ชื่อว่าเราหาที่พึ่งมีที่พึ่งในชีวิตของตนมีกาะเป็นที่พึ่งคือความสมบงบสุข คือเราอบรมใจของเราให้ได้อยู่เนีมังคับมังสนเนี่ยว่าเกาะแก่งคือที่พึ่งถ้าว่าเกาะคือดีพึ่งนะั้นท่านอุปมาลเสียมในทะเลนั่นนะ่ะมีแต่อ้างว่างอยู่ในน้ําถ้ามีเกาะแห่งนหนึ่งอยู่บนอยู่พน้นอยู่พ้นอยู่ในในกลางน้ําแล้วบรรดาจับทั้งหลายให้ตกลอยไปหรืออะไรกิ่งไม้ใบไม้จักต่างๆมันก็จะไปติดตรงนั้นเรียกว่าที่พึ่ง ใจของเราเลื่อนลอยอยู่ไม่มีความสงบถ้าอบลมความสงบได้นั่นเรียกว่าทีขึ้นมันโกรธล้วก็อย่าไปโกรธอย่าให้มันเลื่อนลอยไปตามกระแสของน้นมันเกลียดมันไม่พอใจเกิคดครว่นตรวล่ได้ประการต่างๆเรียกว่ามันไหลมันลอยไปตามกระแสของสิเลตถ้าเราไม่มีความสงบก็เรียกว่ามันไม่ไม่มีทีขึ้นแต่คนเราเกิดมาทุกคนต้องการความสุข แต่ไม่แสวงหาความสุขก็จะได้สูงมาจากไหนทุ ก, อกนอกจากความสมงบแล้วก็ไม่มีนี่สิ่งที่ควรคิดและควรจดจำควร ท, ที่จะนาไปพิจารณาเห็นด้วตนเองแต่ก็อย่าไปเชื่อแต่มาพูดซะก่อนนะไปทําด้วยตัวเองเอ ด, อนนะด้วยฝังอของมันนี่ท่ารู้ด้วยตนเองก็ยังเชื่อไม่ได้กระดับถ้าเชื่อกันทั้งหมดจะ ง, ง่ายที่สุดคนเราพ้นทุกได้ง่ายที่สุดอันนี้ไม่เห็นด้วยตนเองมันยากที่จะเชื่อได้เชื่อเป็นของจริงหรือไม่นั่น ก็่ะไดุ้ดคนอื่นพูดมันยากให้ไปฝึกฝนออบรมใชเรื่องตัวเองจะสำเร็ไในรักผลประโยชน์จากการฝึกฝนอโรงนั้นมากน้อยเท่าใ่นั้นนั่นละเป็นของตนโดยเฉพาะอ่าละอธิบายที่ไนวันนี้